สามสิบ8ปดมุปยัอนไนมิดีในรถแท็กซี่แท็กซี่ลูช่วยเรียกรถแท็กซี่ให้ด้วยค่ะแท็กซี่นี้ปิเลเวนดีไปสถานีราคาเท่าไหร่คะ สถานีกี่เวลเลนต์กูยันต์จะถือพัดตุ้นดไปสนามบินราคาเท่าไรคะบีมานาสเรียนกี่เวลเลนต์กูยันต์จะถือพัดตุ้นดีกรุณาตรงไปค่ะนี่ดูก้าเวลเลนดีการุณาช่วยเลี้ยวขวาตรงนี้ค่ะอีกกระดาขุดไว้พิเทระกดี การุณาช่วยเลี้ยวสายตรงหัวมุมค่ะอาชิวรณาเยเดวมาบาปกติทรกันดีดิฉันรีบนี่หนูตนดรลูวุวนานุดิฉันมีเวลานาวัดดาสามย ม, มุนดีการุณาขับช้าลงได้ไหมคะเมลเลกานนัดพันดี กรุณาจอดรถที่นี่ค่ะอีกกะดาปันดีกรุณารอสักครู่นะคะบกกะนิมฉม่ากันดีเดี๋ยวดิฉันกลับมาค่ะนี่นูเวนตเตนวนัตสนนขอใบเสร็จให้ดิฉันด้วยนะคะนากูวกระีได้บันดิ ดิฉันไม่มีเงินทอนน่าวดดาชิลเลอร์เลดไม่เป็นไรที่เหลือนี้ให้คุณค่ะบาร์วาเลยดูชิลเลอร์บนชุกนดีขับไปส่งดิฉันตามที่อยู่นี้ค่ะอีชิรุามาเกียตีสเกลเลนดีขับไปส่งที่โรงแรมของดิฉันด้วยค่ะ น้าโฮเทลกี่ทีสเทลเล์เคลนดีขับไปส่งดิฉันที่ชายหาดค่ะสมุทรเทียนกี่ทีสเทลเล์เคลนดี